เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพียงพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปฏิโมกขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มีคือเฉพาะบริษัทของตนของตนรูปใดยกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปฏิโมกขขึ้นแสดงแก่ภิกษุบริษัททั้งหลายผู้พร้อมเพียงกัน